ที่ราลืกถึงเหตุการณ์สำคัญในไทยพารณเมื่อประมาณ 2,600 กว่าปีที่แล้วะมีประมาณ 2,150 ปีอันนีหนาแบแตงไทยนะวันมาพะนุชาเนี่ยเป็นวันที่ราเลือถึงเหตุการณ์สำคัญในพิาสณาคือวันที่มีประชุม2นับพันรูป หนึ่งพันสอง้ห้าสิบูนไม่ได้รับหมายในวะนว่เรียนการจากเป็น ด, ดวงโดยที่หนึ่งพันสอง้ห้าสิบลูกนี้ก็เป็นพระอรหันต์มียธิญาโครบิญญาือความสามารถทางจิตหรือความสามาร ถ, ถทิ่แตกเช่นหงทิ้ตาทิ้รู้ใจขนหนึ่งได้ รสชาติได้แสดงฤทธิ์จิงีริวิธีแต่ที่สาคัญนะสำคัที่สุดเดยก็คือมีอ า, วาสวัตรยาหรือยาที่ทาให้ติดสูพ่นจากอาวัตรสูดพ่นจะกความทุกข์ราเราหนื่อยแต่งแงแต่จะทำแตที่สาคัญกัอเรื่องผู้ที่ตายที่ว่าผที่ตายที่มีเป็นลูกคนอื่นทายใจคนอื่นก็นอกตัว แต่ว่าที่สำคัญก็คือการรู้ความจริงของกายและใจเจ้าของรู้ชนิดที่เขาให้ผทกิเลสได้นอนเรียกว่าอาัศวันยันญาณแล้วก็ที่สองพันญาญาณนั้ก็คือเป็นประสง์ที่พระเจ้าทรงรวชเพื่อพระองค์เองเพื่อ เ, อ, เ, เองเอที่ขู พิธีการบวชเขารอเองเอที่กลุ่มภาษาปัญหาเป็นการบวดที่ไม่มีพิธีรูปองอะไรมา ก, ไ ม, มกไม่มีการอันดับแล้วก็มันมีการตรวจข้านหน้าแบบที่ดีทุกวันนี้เพราะเจ้าเราเป็นสักว่านะจงเป็นพิษสุมาเทอร์สามาเรากล่าวยู่แล้ว เธอจงประพฤระวัจาร์เพื่อความที่สุดแทนทุกโดยชอบเธออันนี้สำหรับกรณีที่ผู้บ่วยไม่จะถึงพรารามแต่ก็เป็นญ า, านติาย่อคนนะันนะแต่ว่ายังมีกิเลสอยูยก่ก็ยังไม่ได้เึงพรารามถ้าเป็นพรอารามก็ไม่ได้ตัดจิงแต่ว่ายงเธอจงเป็นที่สุดมาเธอทํามาราธนาแล้ว เกิดจงประพฤธิ์งกระจเกิดนะไม่มีเคื่องทามที่สุดในทุกโดยชอบเพราะว่าเช่นทุกขนะ์ล้วองค์ประกอบประเีเรียกว่าเจา้าตรุษคุณฐานีบานะก็คือการประชุมข้อคงศีลนี่เป็นการา้องทำเกิดขึ้นหลังจากที่พเงค์เจ้าได้ตรัสรูนะ้แจกแจงแต่ใ จ, ใจะทำ ได้รู้พราสามาสุที่ยา น, นเป็นที่มาของวันวิสาขาบูชาเกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าได้สแสดงปนลงมาเทศนศาสนานซึ่งเป็นที่มาของวันอาสาฬหาบูชาถ้าตามปฏิทินสมัยใหม่เนี่ยมาพระบูชาในวันแรกเลยนะวิสาขาบูชาตามตามาที่แล้ว แล้วก็อาสาแับวิชาแต่ตามประวัติานตร์เนะีเย็นตจารย์ซึ่งเ็นที่มาของนิสสาวับวิชานี้มาก่อนเนะี่ยเมื่อจด็กเปนระสูะติตั้งรู้อายุเป็ผ่านแล้วก็แสดงอรรมณ์เทศนาทำให้มีทิศสุขนะหรือคณะสงฆ์ครบเรียกว่าพอรักัณฑลายครบงค์สามแล้วก็มีกัน จานพรรษาแรกนะที่ฝราบที่ประัญบามิตตะไยังวังแล้วก็รงจำนั้นนะข้าเก้าวยนะก็มีาการประชุมนะที่ว่านะจารุงรงค์พระสารีบาระสมันสองรห้าสิบลูกแต่อย่าไปเข้าใจนะว่าสมัยนั้นเนี่ยมีแค่นนะยังนะรือพระเจ้าสมัยนั้นอีพระอรารหันแค่สันรอห้าสิบลูกนะ จริงีมากตอนนั้นนะแต่ว่าอีกหลายท่านไม่ได้มาประชุมพร้อมกันในวันนั้นทันต้อยเฉลโลกเนี่ยก็จริงๆก็มีมาสองทางด้วยกันนะัก็คือหนึ่งทันโรกนี่ก็เป็นบริษัทบริวารของเฉลิมสามคนอีกทัน้อยเฉลโลกนี่ก็เป็นบริษัทบริวารของวัชริบุรินะผมบอกพันรานนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีผ่ารหานอยูร่าโคกสินนะ ก็ถเป็นจักวิศคีห้าแล้วก็ท่านคระจัตศักด์และเกื่อนบริษับริวารนิค5ห้าสี่นะก็ลงเป็นหกสิบหกสิบนัใจไหนนะท่านผเจ้าบอกว่าให้จารึกไฟเจอจงเที่ยวจารึกไฟนะเพื่ออนุเคราะห์ราสตร์โลกและประโยชน์สุขของเทวดาอนุทั้งหลายจงวางแผนประโยชน์ตนปรือยท่านท่นผจ้าก็กลาวเนี่ย โทั้งหลายเนี่ยอย่าไปทางเดียวกันสองคนไอยาไปนังทางละค น, นะ60โลก็60ทางไปทำอะไรเพื่อที่บอกนะไปเพื่อททนอนุพราะสัต์โลเพื่อประโยชน์สุขของเทวดาแล้มนุษยทั้งหลายขอใจที่จะไปนะตามที่3 3ต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มาประชุมนในการ ในเหตุ ก, การณที่เราเจาตัวลงพันธดินาแล้วพันธุ์ตัวทีตันี้คือเรไม่นับนะไม่นับสดินสามแล้วก็พอ่อตาเรือนุนพมกัารนะรวมแล้วพอห้านานะั้นนั บ, นบดูแล้วนะสมยัยาานั้นลินถ้าราหันแล้วเนี่ยพันธ์สามร้อยห้ารูปไม่ใช่พันองรยห้าสิบอย่างที่เราจะตบใจที่65ส้านี้ไม่ได้มักนะอันนี้ก็ ผมไม่ได้สอบตรวจนองใหายไปแต่ว่าที่พูดมานี่มันก็เป็นความรู้นะซึ่งรู้ไว้ก็ดีแต่ไม่รู้นะก็ยังไม่เท่าไรแต่ที่น่าจะรู้แล้วก็ระลึกยู่เป็นเป็นประํานั้นก็คือธรรมะที่บวงในตแสดงในวันนั้นโยโววาสปาติโก หัวสถาปิโมกนี่ยเป็นคำสอนที่เข้าใจง่ายเนื่องจากคำสอนก่อนหน้านั้นเช่นาาาธรรมจักรกัปตนนสูรเนี่ยซึ่งเป็นการแสดงคำครั้งแรกยาวนะยาวหลายหน้าแล้วก็ความหมายก็ซึ้งๆนั่นเป็นที่มาของคาว่าทางสายกลางและอายุสัปสี ปรวัิคามเป็นมม่มีไน่กีบรรพชนนะและคิดจำท่านคือสาวหทําแรกการไม่ทาบาปทัางปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมการมทำจิตของคนให้ขลากรอบหรือว่าการทําจิตให้บริสุทธิ์สามข้อเนี่ยสคัญเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้เลยถ้าต้องการความจุความสงบเย็นนะสามข้อเนี่ยต้องเดินเอื่อนเอาไวเสมอ ที่เริงเนยในสมัยที่พูใจในสื่วิระันชขี้เนี่ยพระองค์นัจากล่าวอวาตปาติโมโเนี่ยเรียกว่าทุกป่าเนะสมัยก่อนเนี่ยพระทรงมาประชุมกันทุกป่าหรือรื่องมาจกิดปนทุกวันนี้เนี่ยพอริมศีภาพข้ามนะคือสี่ข้างเ่าง้าต้องมาประชุมพระเจ้าลุงดูรบกสมัยก่อนเนี่ยพระจำนวนมากนะ จะเป็นภาตที่ปฏิบัติทีปฏิบัติชอและดังนั้นเลยจ่นี้ไม่ไดมีข้อําหนดมากไปที่โดอิที่ไนรู้ว่าเหตุเขาวเวลาเราชุมกันเนี่ยผู้เจ้า ก, ก็จะเป็นผู้กล่าวกล่าวอะไรกล่าวว่าทั้งปฏิโมกขุกปากเลยเะยี่สิบธันวาแรกเนี่ยผู้เจ้า ก, ก็จะจะพูด น, นะทบทวนคําตอบที่ว่าเนี่ย ตอนหลังเนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยร่างมีมากขึ้นมีกฎระเบียบจําเป็นต้องมีกฎมีข้อบอังคับหรือว่าติขาบทมากขึ้นนะก็เลยมีการระดับเรียกว่าติ้าบทไม่รู้วที่กุปปาติโมหรือว่าอนาปาติโมหลังจากยี่สิบพรรษาแรกแล้วเนี่ยท่านเจ้าพระไม่ไม่ได้กล่าวว่าติขาโมแต่ให้พุทธสูตรได้มาทบทวนปฏิโมกันเอง เป็นเรื่องของวิไัยทิ่ข่าวกดแลนนนะัละัง้นสำคัญไล้ะพระเจ้าเนี่ยได้ทุทธวนพุกปกัจจัยตลอดที่สิลปะแรพกพุทธวนแค่โอวาทปาติโมพ่พุทธวนเพื่อให้ภาพเนี่ยได้นะได้จับได้จำแล้วก็นาไปสังสองนภะาพหลายโลกนะั้นนันก็เป็นภาพหาแล้วพระเจ้าไม่จำเป็นต้องสองนอะไรมากมากแต่ว่า ท่านเหล่านี้เนี่ยแล้วก็มีหน้าที่ทีท่จะไปสอนไปอบรมชาวบ้านรวมน้องพระด้วยบางท่านท่านก็คงจะสอนไม่ค่เก่งแต่คุณเจ้าก็เลยแดนะเรโดนสรุปว่าในสอนอย่างนี้แหละนะสามข้อซึ่งเราเรียกจำๆว่ารับโวษทำดีแล้วก็ทจิีให้บริสุทธิ์นะหรือว่า ละเล่นความชั่วละชั่วนี่มันยังหมายความว่ามีชั่วแล้วก็รัะคือวางแต่ละาได้คือไม่ข้องเกี่ยวเหเป็นความารตานั่นแรับชั่วกับเราเล่นความชั่วละชั่วนีงคือต้องทำชั่วก่อนแล้วค่อยัะแต่ว่ารละเล่นคือว่าไม่ข้องเกี่ยวประมาณแต่วันนี้เราก็พวรตั้งใจว่าละชั่วก่อนทำแต่ว่าสอนไปสอนมายหรือแค่สองข้อนั้น รักช่วยทำดีส่วนทาที่ได้เลยสุดก็ตกเปวนร้ายไปชาวพุทธเราจำนวนมากก็ไปเข้าใจแบบนั้นนั่นเวลาถามธรรมชาติถามาว่าพุทธเจ้าสอนอะไรพุทธศาสนาสอนอย่างไรสอนอะไรบ้างหรือบางทีมีโจทย์ถามว่าเนี่ยชาวพุทธรู้ไหมว่าพุทธเจ้าสอนอะไรจนอยากที่จะตอบทันทีทันความเลยรับช่วยทำดีนะ มันยังไม่ถูกนะยังไม่ครบนะมันต้องขาดถ้ามันยังขาดไปอันหนึ่งซึ่งสำคัญมากถึงการทำจินให้บริสุทธิ์การสุกจิตลับช่วยทำดีล้วสุกจิตถ้าหาว่าขาดข้อที่สามไปเนี่ยค น, น, นเราเ่ยก็ยังมีความยังมีความสุขความสงบกเจ็นได้ยาก กโยน่นะเมื่อเราัะชั่วทำดีแล้วเนี่ยนะไอ้ปัญหาเรื่องเนื้อร้อนใจต่างๆมันก็จะน้อยลงแค่ไม่กินเหล้านะไม่แต่ต้องตุรายยาเมามีมุ่ปัญหาต่างๆมีลดไปเยอะเรื่องการทะเลาะต่อแว้งกันในครอบครักวรการตบตีในบ้านหรือว่าการก่อปัญหา เห็นขับรถชนคนจนตายประสบปบติเหตุรถพิการ อ, าาอีการอัมพาตหรือว่าเป็นโรคนะับแท้งนี่อันดับนี้จะไม่น้อเกิดขึ้ น, นถ้าเราดินถ้าเราปฏิบัติให้ครบสิ่ห้าก็เรียกว่าชีวิต ก, ก็จะมีความสุขมากแต่ว่า มันก็ยังมีทุกเป็นคนนะคนเราเนี่ยทาดีแท่ไหนเนี่ยถ้าไม่สุขจิตนะมันก็ยังมีความทุกข์โยมหลายคนก็ร้ายใจว่าทาดีไม่มีคนเห็นหรือว่าทาดีแล้วเนี่ยคนไม่เข้าใจยังมีคนฟัาเหติเพียนต่อว่าดาทอติชายด้วยสัยญา อันนี้ก็เป็นพวกของคนดีช่างตื่นดีมากหลายคนก็จะมาพูดมาปัดพ้อเราทงไมล้วทำดีแล้วแต่ไม่มีคนเห็นความดีของเราเลยเจ้องไล่ก็ไมเห็นไม่เลื่อนขั้นไม่ให้รงางวนะัลไม่ยกจ้องสรรเสริญอันนี้คือพวกของคนดีจริงตะบูนตาว่ า, าจริงนะเจ้าเสียใจ เราไม่รับประเว่าทำดีแต่ว่ามีคนอื่นดีกว่าเพรอิจฉาเขาบานะงทีคนไทยเน่เป็นอนนี้เยอะนะจนมีภาคติดว่าหรือจาเลยว่าทาดีใจเด่นจะเป็นไทยนะทำดีใจเด่นจะเป็นไทยเพราะอะไรเพราะว่าพอทาดีมากๆนะจนมันเด่นกว่าคนอื่นนี่คนนี้ก็จะพ้นเด็นหรอกคนนี้พ้นเด่นหรอก ไอ้คนี้คอมเมนต์เนี่ยก็ทําดีเหมืกันนะแต่ว่ามันคนไม่ได้ที่เห็หรือื่นทดีกว่าเด่นกว่าเกิดความอิจฉาลิสยาขึ้นมาอันนี้พ่อแล้วก็ยังมีอัตตาก็คือว่าไม่อยให้ใครเด่นกว่าดีกว่ า, วาบางทีในหมู่พระเนี่ยนะพระแล้วก็อยากจะปฏิบัตินะหรื อ, อปฏิบัติตามเทวดาัยก็อยากจะให้เคร่ง แต่ถ้าเห็นคนอื่นคร่งกว่านี้อ่ะบางทีก็คอมเมนต์ท่านว่าเกินหน้าเกินตาอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตัวที่ชั่วม า, วาวกภาษาของเราเริ่มอี่โก้ติดตามแ้วมีใครเดินกว่าไม่ได้แม่เราก็จะเด็ดเป็นธรรมดีนะแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่กีฬามันไม่ยอมดีด้วยนะแล้วก็แต่คอมเมนต์อันนี้เป็นทุกของคนดีนะ มีความคิดความเป็นอะไรคนอื่นก็เป็นสิ่ดีด้วยก็ปลอดนะหรือบางทีสอโลกสอนหลานดีนั่นนั้นแต่ลูกไม่ฟังได้นลาไปลูกไม่ได้ด้วยนะอยากจะให้ลกูกเป็นคณะนีเนน้เป็นคณะหนึ่แม่ก็เสียใจบางทีลูกก็ไม่ได้เก่งเลยหรือบางทีแน้หานลาไปลูกไม่ฟัง ลูกเที่ยงแม่ก็เป็นพวกพอว่าภูมิใจเกลียดอันนี้ก็เป็นทูกของคนดีนะชอบคือ ว, ว่าอยากจะให้คนที่เรารักเนี่ยเขาเชื่อเขาปฏิบัติตามบางทีคนที่เรารักก็คือพ่พอแม่ป่วยแม่แมแมแมปาวดเป็นเองหวานพ่อปวดเป็นมะเร็งปอดกอดกำชับหรือว่าบังคับให้แม่หรือแม่กินน้ําตาลของหวานบางทีก็ อเล่าให้พออ่อจะตสุบรีพ อ, อพ่อไปทําแม่เลยตามแล้วพโปรธว่าเขาใน ต, ตอนโกรธก็ทุกนั้นที่เขาไม่ทําตามในตอนว่าก็เสร็ก็ทุกข์อีกเนียรู้สึกผิดกุ้งกันอันนี้ก็เป็นทุกข์ของตนดีนะแล้วพอฉันแลเนี่ยทําดีมันดีแต่ว่ายังไม่พอนะ มันต้องฝึกจิตเว่าเมื่อเจอเหตุการเหล่านี้เนี่ยใจเป็นปกติได้อันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงน้องน้องไม่ได้พูดถึงเรือว่าเจ็บป่วยนะทําดีแต่ว่าเป็นมะเร็งหลายคนนี้ทํำใจไม่ได้ทําไมต้องเป็นทันทำไมทาดีแล้วกินยังเป็นะเร็ง น, นี่เพราะไปคิดว่าหรือว่าไม่ได้เตรียมใจไว้ที่จะรับมือไ่เจอแค่ป่วยเจอแล้วบางทีนก็เกิดความ ผ, ผิดพลาดสูญเสียเงินขายของขานการงานไม่ประบสบความสำเร็จทำธุรกิจมันก็ติดขัดหรือถึงกับล้มละลายก็เสียใจทำไมมันถึงเกิดกับเรา ที่เป็นพ่อเราซ้สัตสุนทรหรือเปล่านะจึงไม่เจอเจ้าหน้าว่าไปน้างบางทีก็เป็นอ้างเป็นคนกังนลดีเสียใจบางทีความดีแต่ว่าชุนเสียโวมรักอายุยังไม่มากก็ตะันตายจากไปก็เสียใจหรือพ่อร้องป่วยจริงจริงพ่อในกองกลาวถุดแล้ว แต่ก็ทำใจไมนะ่ได้ื่อทํำดีแค่นั้นท่านจะต้องเจอนะเจอความแก่เจอเจอความเจ็บความป่วยและความพักผ้าเดี๋ไม่ต้องพูดความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยทาําดีมันยังไม่พอนะเพื่อทําให้จิตใจมีความสุขความสงบเย็นได้มันต้องมีการสุกจิตอนะหรือเรียกง่ายๆว่า มีการทําจิจทํานี้แล้วก็ให้ทําจิจหรือทําใจเลยอทําเป็นคือทําใจแล้ว่าทําที่ใจนะเห็นคาว่าทําใจเนี่ยบางทีไปพ่อใจเค่แค่ฟั้นๆว่าไปอดทนเอาไวนะ้หรือว่าปลงซนะแต่ที่จริงเนี่ยความหมายมันกว้างนั้นให้ทําที่จิตทำดีก็คือทํากับคนอืน่นะมีความเมตตามีความเอื้อเฟือ ช่วยเหลือเจอจาม น, นี้เรียกว่าทวามคุ้สมให้ถึงพร้อมความกับคนสื่นแล้เนี่ยก็ อ, อย่าลืมทำควากับตัวเองไม่ใชการทำากับร่างกายแต่ทำความที่ใจของตัวเช่นในติตในะเวลาคิดเนี่ยนะมันมันน้อยใจ ที่ทําดีแล้วมีคนเห็นโกนเคื่องที่สุดป่าว่าดาคารุสตมิศสเตียนหรือว่ารู้สึกอิจฉานะที่เขาดีเขาเด็มกว่าอมีสติเห็นนะอันนี้ก็จะเป็นการปิดช่องไม่ให้ความทุกข์นะเข้ามาเล่นางานจิตใจไนดะ้เพราะว่าความเศร้าความน้อยเรื่อตสนใจความโกรธความอิจฉาพวกนี้มันเกิดจากภายในไม่มีความทุกข์หรอก ต้องมีสติเพื่อรกษาใจนะเวลาอาจารย์ว่ารุ่นนะที่ตกกังวลเรื่องงานเรื่อง ก, การอ่าก็ฝึกจิตให้มีสมาธินะให้จิต น, น, นิ่งหรือว่าให้จิตเนี่ยนะมันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะได้ไปรู้จักเรื่องอิสติกนะรู้ทันความที่ตกกังวลหรือว่ารู้ทันว่า ความคิดมันข้ามถอดไปแล้วทางานแต่ที่จะใจยอยู่กับงานก็ไปคิดว่าทำ ง, งานเสร็จนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะตรงตามเป้าไหมหรือบางทีก็ผลก็เมื่อไรเส็เสร็จเมไ่อไเส็จเสร็จนี้เราคิดข้างถอดแล้วรู้ตัวเราไม่รู้พ่อไม่มีสติแล้วต่ถ้าเป็นพกูนีเงนินจ่ายมัน กับมาอยู่ปัจจุบันมันไม่ได้ชิดทํามชัดไม่เป็นกัวต่เพื่ออนาคตที่เอามาไม่ถึงหรือว่าถ้าเราเนี่ยมีปัญญาคุณเจนมีปัญญาเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะทําดีจะไม่มีคนเจนนี่มันธรรมดายัง่วงนี้ที่เขาแค่ได้เห็นนะเพราะว่าบางคนทําดีนะแต่ว่าถูกใส่ร้ายถูกตจอาจับผิดเอา อ น, นิจดาไ่ยขณะก็เพื่อเจ้าเรียกว่าถึงพร้อมในความดีในความบริสุขไม่เคคิดว่าร้ายพูดร้ายทําร้ายแต่เราก็ยังมีส่วนใส่ร้ายเพราะจะไม่พอหลอกฆ่าเลยหลอกฆ่าเอือดสารพัดที่ดีนั้นถ้าเราอะไรนะทำนี้แล้วมันมีคนเห็นนี่ถือว่าโชคดีแล้วเพราะว่าคนก็เจอหลักวันนี้ มันเป็นธรรมดากคำนินทาว่าร้ายนี้มันเป็นธรรมดาแต่ที่ดีสํานวลว่าจะห้ามไฟไม่ให้ควันาห้ามได้หรืจะห้ามคนนินทาห้ามไฟไ่ให้ควันได้นะอันนี้มันไฟที่ตัวจับถึงนะสมัยที่มันมีเตาแกนนะ๊สไฟมันวไม่มีควันัวทําได้สมัยนี้แต่ว่าสมัยกว่านี้ไฟทุกกองต้อมีควันนั่นแหละห้าม ฝ่ายแม่ฟุตบอได้จะทำคนมีทาแต่พราะมาจากคนที่ไม่ทาอะไรเลยก็ยังถูกดึถ้าเราเรียัญญาลองเห็นแล้วโลยนี่มันเป็นธรมรมดาโลกทำมาแล้วก็ต้องไม่จะมีแต่สําเร็จมันก็ต้องมีล้มเหลวแม้แต่ทีฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกก็จังต้องเจอความพ่ายแพ้ไม่มีใครที่ชนะไปทุกครั้งเชจนกีราดำดายนะ เกมเชี่ยงประชันั้นแหละเขาคือว่ามันไม่ได้สําเร็จไปทุกครั้งมันก็ต้องมีอุปสรรคมีความล้มเหลวฉะนั้นถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นปัญญาเนีว่ามันเป็นธรรมดานะมันก็ไม่ทุกเจ็บปวดก็ญญเช่นเดียวกันนะพอรู้แลาวนะคนเราเกิดมาเนี่ยไม่หนีไปนะไม่เจ็บไม่ปวดไม่แก่ในยาที่สุขภาพดีนะก็เตือนใจโดยเสมอว่า สัวนันก็ต้องแก่สัวนันก็ต้องเจ็บถึงคนหรือไจะยินว่าคนนั้นเป็นมะเร็งคนนี้เป็นโรคหัวใจนะก็ไม่ใช่นะแต่ว่าเออโชคดีที่มันเป็นเราต้องต่อแล้วเออวนันอาจจะเป็นเราก็ได้นะเพราะอะไถึงข่าวของเราทักษิาการนี้นะพเพราะโรคมันเป็นธรรวลาที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ใช่เราเกิดขึ้นกับคนช่วยหรือค น, นี้ก็เป็น ภาพอาหารก็ยังป่วยนะบางทีมรดภาพเลยร่วงไปเลยแล้วเราเป็นภัยนะผิดน้าดีกันไครบเลยนะยแล ะ, ะอาวุธกุศลว่าเนี่ยทําะไรที่ไม่รักษาทำไมไม่ปกป้องเราให้คนจับอดภัยนี่มันก็ผิดไปแล้วเป็นเพราะไม่รู้เนี่ยเป็นเพราะไม่เข้าใจความจริงเนี่ยมันคือวางใจผิด คนะวางใ จ, จคือวางใจว่าจะต้องไม่เป็นนั่นไมเป็นนี่ต่ต้องมีอายุยืนจนะต้องไม่เจ็ไม่ป่วยจะต้องประสบกับความสำเร็จไม่รู้จักกัาไม่มีที่แบบนี้เร้วาวางใจผิดและวางใจผิดเพราะอะไรเพรามีปัญญามันมีความหลงค้องหลงจใจแต่ถ้าเราฝึกกินนันยอมรับความจริงนะขึ้มมนมาเป็นจะจะทำแสดงให้เราเห็นตลอดเวลารอบตัว พอเรามีปัญญาเข้าใจความจริงเราก็วางใจอยู่ถึงเวลาเจ็บปวดถึงเวลาสูญเสียพลาดพาดน่ยจะเป็นของร่างคนรักใจก็ยังเป็นปกติได้อันที่เก็นอันที่สองนะของการรู้จักทำใจหรือว่าทำจิตคือการจดไ ด, ด้กินที่ดี สตนมีสมาธิมีปัญญาโรวิาป า, าิโม่เนี่ยนะมีสามข้อเนี่ยให้ยอดคุณสอนนั้นก็คือทำดีแล้วก็ทำใจทำดีกับคนอื่นแล้วก็ทำที่ใจของตัวเองส่วนข้ออื่นที่ก็เป็นส่งเสริมส่วนขยายนะที่พระเจ้าตรัสว่าการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการสงบในปาติโม่ การนอนการนั่งในที่อันสบายความไม่ประมาณในการบริโภคอันนี้ก็เป็นผลขยายเพราะว่าถ้าเราจะทำดีนะนะมันก็ต้องเริ่มจากทว่มจากการไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายแล้วก็สมมติในปฏิโมคคือมีความระมัดระวังหรือสมรุงกายวาจานะให้อิ่มเลสีนะปฏิโมคคือคำาสอนหรือข้อบังคับระเแ บ, บแียบการแทน น, นถ้าเราเนี่ยนะปฏิบัติอยู่ในแบบในแผนอยู่ในศีลการทำดีก็จะเกิดขึ้นได้และจะทำดีได้ยังก็ต้องนะรู้จักประมาณในการบริโภคนะก็คือรู้จักพอเพียงเพราะถ้าเราไม่รู้จักประมาณนั่นแต่ว่าเราโลกอยากได้เยอะอยากได้มาก นะั่นถ้าอยากได้มากนะเจ็ดอยากมีรถหลายคันอย่างมีบ้านหลายหลังอยากมีที่หลายแปลงเนี่ยติดใจก็น้องไปเรยนทางที่เป็นอคุสมยังก็คิดถึงเรื่อง ก, การขโมยคิดถึงการารับชั้ น, นง่ายคือนะเพราะว่ามันทำให้นักได้สิ่งเหล่านี้มาไม่ง่าย คนเราเนี่ยนะจะสรุปสืติได้เนี่ยมันก็ต้องรู้จักประมาณคือรู้ความพอดีในสิ่งเศษและถ้าเราจะรู้จักประมาณในการบริโ่อเนี่ยก็ต้องรู้จักอยู่ในที่ที่มันเอมาะซึ่งท่านใช้คําว่านอนและ น, นลั่งแบบที่อ่านตำหนักตหักเนี่ยนะไม่ใช่เงียบสงบเดียวนะแต่ว่าตำหนักจากสิ่งเร่าย่ยโยอโยนเดี๋ยวนี่สิ่งเร่าย่อตัวนี่มันตามเราไปทุกที่เลยนะ มันเข้าไปในห้องนอนสมัยก่อนมันไปทางโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันติดตัวไปทุกที่เลยเพราะมันมาตัดโทรศัพท์มือถือไอ้โทรทัพท์นี่มันอยู่แค่ห้องห้องห้องนอแต่มันไม่สามารถจะตามติดต่อไปได้แต่เดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์มือถือแล้วมันเปดูเวลาออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีสิ่งรเร้า ย้อวนให้ยาแล้วก็ล่อเรา น, านด้วยลวกให้โกรธเดี๋ยวนี้คนเนี่ถูกลุมเราเ้าด้วยความอยากและความโกรธมากอันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในที่ที่สงบสงบก็คือไปอยู่ในที่ที่มันมีแต่สิ่งกระตุ้นเราให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธเรื่งนี้เนี่ยมันก็จดิ้นเรียนเรียากแนะ การพูดร้ายการทําร้ายคนที่ใช้โทรศัพท์อยู่บนโทรศัพท์มือถือทั้งวันเนี่ยมันหดไม่ได้เทียจพูดร้ายพูดร้ายอะไรที่ไม่ได้ส่งเสียงนยีแต่ว่าเขียนข้อความเขียนข้อวความไปด่าคนนั้นคนนี้เลือกคอมเมนต์เดี๋ยวนี้เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยพูดหรือเลืองได้ยากในการพูดร้า ย, ยหรือการทําร้ายคนทางนอก้วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอัมาหระว่าเป็นอัตราที่ไป น, นะมันสามารถจะก่ออันตรายให้กับคนอื่นได้ผ่านไปเรื่องของตัวเราเลื่อยไปเรื่อนี้แหละที่มันจะนําเอาอันตรายมาสู่ใจเราทําให้เกิดความปวดความโลภมันไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับทําให้รู้สึกเครียดรู้สึกกังวลติดใจรู้สึยาอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีที่สมงบสงบ เดี๋ยนี้เนี่ยความสนุกสนั่งมานไม่ได้ที่สถานที่แล้วเพราะว่าแม้แต่ยู่ฝ่ายดูว่าไอความไม่สนัดก็ยังตามลุงเราเพราะฉะนั้นต้องอาศาัยการรู้จักบริโภคนะให้พอดีนะบริโภคข่าวสารให้พอดีรู้จักวเวลาเวลาในการออนไลน์ในการเล่นเด็กไม่เดินเปิดออนไลน์ล ว, วันทั้งวันหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียกันตลอดทั้งชา้าทั้งเยน็นไอจากนี้เนี่ยนะ มันจะทําให้รู้จักประมาณในการเรียพวกเลี้ยงยาแล้วก็รายการที่จะเรียนี่อไม่พูดร้ารไม่ทํารก็ยากอี่ถ้าเก่ดว่าเรานีรู้จักประมาณในการเรียนพนีแล้วก็มีความสำเร็จในปวิโม้นีรู้จักนอนในที่เราสงบสงัดนอกจาจะส่งเสริมการทําดีแล้ส่งเสริมการทำใจนะทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเราเนี่ย มีความสุขนะทำให้สติและความรู้ึตัวนะมันจะลยอยอกมามากขึ้นทําไม่ใจเราสมาธิึมดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณจอตัดข ย, ยายนะตั้งแต่ว่าการไม่ผู้ร้ายการในความร้ายความโรกรธกัดในปฏิโมกต์ความจำรมในการบ ร, ริโมกการอาการในเทีสนสนะมันมันไปส่งเสริมใ น, นการาประกอบในการสัดทีษษ่ดีและต้องหว่นนะต้องหว่นความเพียรนะ ในการสุขจิตใจนจะรวยมอกนาตอนนี้ว่าเพื <c oughs> ่อนบอกว่าเราเปจุดมุ่งหมายเราในชีวิตนะถ้าเราเปจุดมุ่งหมายในชีวิตเนี่ยจริงแค่ว่าไอ้มี้เงินนี้ทองให้ร่ำรวยมันก็เป็นความสําคัญต่อการสุขจิตอาจจะคิดว่าเสียเวลาเอาเวลาสุขจิตเนี่ยไปทํามาหาจิตหรืบาที่หลายคนนั้นไม่ยอมใช้เวลาที่ว่างเพื่อการพักผ่อนเรื่อยๆแล้วจะสุขจิตเลย แม้แต่การนอนก็ไปนอนในที่เกี่เรื่องการหาเงินหาทองของคนที่มีวุฒิเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนั่ารวยมีเงินเป็นร้อยล้านันล้าน<ๆ>ก็ยังไม่มีเวลาพักผ่อนนอนก็นอนไม่หลับเขาคิดแต่เรื่องการหาเงินหาทองเพราะจิตหมายชีวิตมันที่ความมั่งมีความเั่ารวยแต่ชีวิตส ม, มัยช่วงโบราณเนี่ถ้าว่าเราได้มง นะความมั่งมีความร่ำรวยนะแต่ว่ากระมุ่งชีวิตที่ดีงามซึ่งไม่จำเป็นต้องแบบล้อมทำฟามมร์มเพื่อทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าเป็มเตียนเรื่องความดีแลนะถ้าเราปราศจานะความสุขใจที่เราความสุขใจนะมันก็มีทางเดียวคือการหมั่นทมความดีแล้วก็การความใจจริงนะนะเพราะว่า มันจะช่วยทำให้เราเยังเกิดความอกุณใจนะเพราะว่าได้มีอได้ทำควา ม, มดีชีวิตอิจริดสะอาดมันก็ไม่ต้องกลัวใครจะมาทำร้ายไม่ต้องกลัวว่าตำรวจจะมาจับเพราะว่ า, ารักความบริชั่ธิ์นะิีงถ้าเราเนี่ยรู้จักมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงาม เช่นมีพัฒนาะะไปนะเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ยิ่งมีความอบอุ่นใจก็มันจะมีความอบอุ่นใจแล้วนะก็มีความหยิบใจหยิบนะใจที่ชีวิตเรามีคุณค่าได้ชื่นเหลือเชื้อคุณผู้อื่นมีความเสร็จสลับให้ทานแล้วก็สงมือช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนะนไม่ต้องเลือดหใจเออหยิบใจเราทำนะ ความดีแเป็นนิดเนี่ยมันก็จะภูมิใจในชี่ิของเรานั่นจริงแล้วนี่เนี่ยเราก็จะเกิดความมั่นคงนะไปที่ไหนก็รู้สึกไม่หวาดกลัวอันตรายใดๆยิ้งถ้าภูมิใจในปัญญาอลไรเนี่ยมันยิ่งเกิดความกล้ากล้าไปที่ไหนเนี่ยนะก็ไม่กลัวนะไม่หวาดิ้นตกเพราะว่าเชื่อมั่นในปัญญาว่าเราจะ ใช้ปัญญาแก้ปัญหาแล้วก็เชื่อมันในความดีนะัคุณธรรมจะปกป้องรักษารกเรานี่ยยิ่งถ้าเราเนี่ยนะน้องพิจารณาใครควรอย่างที่พุทจ้าได้จับไว้นะในประวัาาติพัฒนาปฏิโมกข์อีกค้อนก็คือผู้รุ่นน้องหลายกล่าวพระพิ้รารเป็นธรรมะจริงแล้วถ้าเราเอาพระนิมารเนี่ยนะเป็นจุดหมายของชีวิตเนี่ยนะ มันยิ่งทานํนใาให้เครื่องเราเนี่ยเป็นไปในทางที่กระเสิร์งมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราโมงเอาพระนิพพานเป็นตึกหม้เนี่ยก็จะเห็นความสําคัญการทําความดีแเป็นความสําคัญของการถุก จ, จิตทําใจเวลาพูดถึงิพานแหละสบายนีย้คนก็รู้สึกว่า ม, มันเป็นเรื่องนะดูไกลตัวหรือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่สําคัญเพราะว่า เราไม่คิดว่าถ้ามังมีร่ํารวยแล้วหรือว่ามีการงานมั่งคงแล้วจบนแต่เพียอย่างที่บอกนะร่ำรวยก็ยังมีควา ม, ม, มทุกข์บางทีทุกเรื่องโรคติดยานะหรือว่าโรคป่วยบางคนเมีลุ้นยืนนะแต่ว่าพิสไม่ได้เราแน่นอนเพราะความทุกขของคุณใจแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จับคุณพินได้ดี โยมเท่าจิตมันเป็นอิสระจากผู้ติตอยา่างมีโลกะทำฝ่ายโลกมากระทบเช่นเสื่อมลาบเสื่อยศนะหรือว่านะอ่าสารหรือารอาการมนทางมากระทบจิตใจก็ไม่หว่านไหวเจอความขัดควรตราวรเช่นความเจ็บความป่วยจิตใจก็ยังเป็นปกติดได้อย่างที่เราชอบนะนะนะเราปราถนานะ ไม่ว่าเจออะไรนะใจก็ยันสงบสิได้มันไม่ใช่ว่าเจอแล้วจะต้องทุกข์นะเจอความเจ็บปวดไม่ใช่ว่าจะต้องทุกข์ใจเจอความสูญเสียไม่ใช่ว่าจะต้องเศร้าโศกพระผู้เจา้าเป็นแบบอย่างว่าไม่ว่ามีโรคประทบับใจโรคประทับบหรือว่าเจอความปัญพวนปวนไปอย่างไรแใ่ก็ยังเป็นทุขกขเต็มตาได้อันนี้มาทําได้นะ แล้วมันน่าจะมีนะน่าจะเต็มนะมันดีกว่ามีเงินมากมายนะแต่ว่ากองวันพีธตกนะว่าจะมีคนมาบอนมีคนเอาไปนะหรือว่าร้อนใจเพราะอยากจะได้มากกว่านี้อยากจะได้มากกว่าคนอื่น คนเราเนี่ยถ้าว่าได้รู้จักความสุขที่แท้บามันมีสุขชนิดนึ่งนะก็คือสุขที่เกิดจากความอิสระไม่ว่ามีแรมากระทบใจก็เป็นปกติแม้ว่ีอิทธิ์กระบนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหตุร้ายนะมันจะเป็นความเคื่อดแต่ว่าใจก็สงบได้จนแม้กระทั่งมีความตายนะมาเยือนหรือมาถึงประชิดตัวเนี่ยใจก็เป็นปกติได้ นี่ตามหากที่คนทลาเนี่ยคือปรารถนานในช่วง ม, มีเงินมากมายแนละ้วแต่ถึงเวลาป่วยในเงินที่ดีอยู่ทําอะไรไม่ได้คนที่เป็นมเร็งเนี่ยหลายคนก็เป็นเศรษฐีนะแต่พอผู้รอดผู้ไรกำกับประจายท้องเงินที่ดีมันไม่ได้ช่วยหรือแถมทำให้เป็นหนักขึ้นก็ได้เพราะว่ า, วา ม, มีเงินเยอะนะมันก็ใช้ที่การยื้อไปโรงียาบาลนะที่เอ่อเรียก ว, ว่า มีมาตรฐานสูงไปึงนี้เขาเยอะอย่างเดียวเลยเจาะคอนใส่ท่อมีเงินว่ า, าเท่เาไหรข้อยิ่งเยอะให้นาที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ว่าสบายแนละทรามารแล้วถึงเวลาจะขอให้หมอนี่ถอดนี่เขาไม่ถอดนะ โรงพยบาล้องแกนนี่เขามีข้อมีข้อจำกัดเลยถ้าถอนจนกับพุนแพทยจะหายนะถ้าขอนจเกุณทจะหายคุณถ้ไม่หายนี่เยืดเวรตายอันนี้มันแปลว่าแล้ว่าเงินท้อ ม, right. มันมไม่ได้ช่วยนะแถมกับซ้ำเติมด้ยทำให้ทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเกิว่าเรามีธรรมะเราฝึกจิตไว้ดี นะแม้จะเจ็บปวดยังไงใจก็เป็นปกติได้นะให้เราลองนะมามาสนใจความสุขชนิดดีบ้างนะเมื่อใจความสูกกายจะเป็นความสูกใจนะเพราะจิตเป็นอิสรนะจากสิ่งต่างๆนะไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าว่านะอาหารอะไรไมันจะเป็นสุขไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคนชมมันจะมีความสุข ไม่ได้ขึ้นว่าสุขภาพดจริงยังมีความสุขน่มันจะเป็นตัวข้ามก็ยังเป็นสิ่งที่ยังเป็นปกติเรียกว่าเกษตรศาสตร์ได้ในอย่างที่ในบทในบทมุมปรสตูเนี่ยว่าว่าเนี่ยอุปคนที่ถูกลอบกระจํามาประทบน่สิ่ก็ไม่วั่นไว้ไม่ต่อส่งไว้ผุ้อิสรดเป็นจิตเกษตรศาสตรอันนี้แหละคือความหมายของทพาน เมืรูรมามหายนิพพานแล้วเนี่ยนะอรกเดี๋ยวว่ามันดีนก็ควรจะน้องใจนะเอานิพพานมาตื่นหมายได้ตื่นแล้วชีวิตพกูกเงหมายที่ก่อเป็นก็ทาเป็นธรรมะที่ได้ติดจระเข้ตลาดได้นก็เพราะว่ามีปัญญาเห็น น, นว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถึงมั่นใจสักอย่างสิตที่ปล่อยวางนะจึตจะเป็นสลาะสิที่ยึดนะยังมี ที่บอลเป็นของครูเป็นตัวครูนี่มันจะเป็นสระไม่ได้เพราะทันทีที่เราคิดบอลมาเป็นของเราเราเป็นของมันทันทีจําให้เลยนะเมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่ารถเป็นของเราเราเป็นของรถทันทีใครมาขูดรีมาขีดรถหมูจะตายให้ได้หล่นนอนได้หน่อยถ้าเราคิดว่าร่างกายเป็นของเราแต่เราเป็นของมันทันทีแล้วตัร่างกายแก่ตัร่างกายเดียว ทุกทักนทีถ้าเราเครองเราเป็นของเราเราเป็นของมันทันทีใครมาขโมยเมนี่ยไม่อยอมโดนมาพ่นก็ยอมตายเพื่อมันได้ตายเพื่อมันยอมตายเพื่อมันแล้วเป็นเรื่อว่ามันเป็นของเราเราเป็นของมันพอเมื่อเรานะี่ยวางเนะี่ยไม่ยึดมั่นในสิ่งใดไม่ยึดว่านัมนิี่เป็นของเราเป็นตัวเราเรามิยมเป็นตลาดเด็ดแท้จริงม็เป็นตลาดแล้ว ความขวมัญปลพลันไปใดของสิ่งรอบตัวของสิ่งที่อยู่ในตัวเราแม้รกระทําร่างกายเพื่อไม่ทําให้ทุกข์ใจอย่างที่ต่งางๆที่ผู้รู้นะหรือว่าผู้ทีมีปัญญาเนี่ยนะควรจะใส่ใจเพราะแล้วเนี่ยเขาโขาอวาทตปฏิบัตเนี่ยเป็นการย้ำเตือนนะว่าให้เราเอาพริภพานเป็นสิงหมาชีวิตนะั้นซึ่งจะทําได้ด้วยการสึกนะด้ยการปฏิบัตินั่นคือการทําดี แล้วก işte. huh? ็ทำใจอย่าทำเดียวเดียวให้ทาใจคุกจิตด้วยให้ติดไว้ได้สุ่โดดตนวล้มเบาๆความคิดจิคือมันในตัวผู้ของคุณมันลดน้อยลงแต่เมื่อนั้นแหละนะสิที่จะเป็นสละแล้เมื่สละแล้วก็จะเป็จสุขไม่วางอะไรมากระทบดีก็ไม่ยินดีเสียก็ไม่ยินร้ายสะไรากระทก็ไม่ก็เพื่อเพิเพื่อมลง เสุเพราะฉะนั้นี่ยในวันสำคัญนี่ยก็ปอ่อยเราเนี่ยเราลือกถึงความหมายของประวัติาสตร์ติโมธได้แล้วก็นำไปปฏิบัติใ้เกิดขึ้นนะกับจิตใจของตัวมันจึงจะเรียกว่าสมบัตที่เป็นชาวพุทธและรู้จักพุทธศาสนาเกิดมาตั้งทีเนี่ยมันก็ต้องนะได้พบด้สัมฝัญจากควาสุข ะนิด ท, ที่เป็นความสระที่เกิดจากปัญญาและการคุกเิ็นที่ถึงพร้อมด้วยสติและสมาธิแล้วเราก็ขอบองค์ควางนี้นมะาเกียวกับหบน้องกัน